ผมขับรถอยู่แล้วทีนี้เนี่ยมีคนเดินตัดหน้าเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นแต่ทุกทีเนี่ยพอมันโกรธเนี่ยมันจะตามมาด้วยนี่โกรธแล้วนะอะไรให้ข่ามันไปแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันดับไปเฉยๆแล้วพอดับไปเฉยๆ เ, เนี่ยไอความโกรธเนี่ยมันดับไปแล้วมันเหลือแต่อไอตัวไอตัวรู้เนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่ารู้อะไรอแล้วพอทีนี้เนี่ยมันสว่างขึ้นมาอมันสว่างแบบ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 มันเป็นอะไรก็ได้ อ, อเลยไม่สําคัญอ่ะที่สําคัญก็คือถ้าเรายังมีกิเลสอยู่เราก็ดูของเราเรื่อยๆไปอ๋ออย่าไปสําคัญมั่นหมายว่าเราเป็นอะไรอ่ะไอตรงนี้แหละครับที่ผมที่ผมแบ บ, แ บ, บคล้ายๆกับว่ามันยังติดอยู่คื อ, อ, อใช่หรือเปล่าวะหรือว่าไม่ใช่หร อ, อ ว, ว่าไม่ใช่หรอกว่าโอเคครับผมโอเคคือถ้าใช่นะมันจะไม่รู้สึก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 ใจเห็นความจริงมีปัญญาขึ้นมาก็มีความสุขใจหลุดพ้นก็มีความสุขนะแอบคบิดมากไม่มีใครเป็นอะไรหรอกนะไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครบรรลุอะไรหรอกกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมเคยมากราบหลวงพ่อเมื่อกลางปี4ี่เหลังจากนั้นโยมก็ไปฝึกเจริญสติต่อตามแนวหลวงพ่อเทียนทุกวันนี้เนี่ยโยมใช้กันเผลอไปแล้ว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 ท่านไม่ได้สอนนะว่าถ้าจิตไม่คิดจะเป็นต้นทางของการปฏิบัติเพรงะฉนั้นเราไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้จิตคิดแต่เราฝึกเพื่อจะรู้ว่าจิตคิด ท, ทันทีที่เรารู้ว่าจิตคิดคือเราเห็นจิตมันทํางานแนละมันทําเองเนี่ยปัญญามันเกิดเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติท่านไม่เคยสอนว่าถ้าคิดถ้าคิดนะหยุดคิดได้แล้วเป็นต้นทางปฏิบัติไม่เคยสอน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 หนักเจ้าค่ะหนักน่าเพราะว่าโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ธาตุรู้อันเดียวเสร็จแล้วจิตสำคัญมั่นหมายยึดถือเอาตัวธาตุรู้นี่แหละเป็นที่พึ่งที่อาศัย <c oughs> ก่อนหลวงปู่ดูลมรณภาพนะท่านสั่งหลวงพ่อไว้บอกพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง <c oughs> เพราะว่าหลวงพ่อภาวนาทาสมาธิ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 พอมีเรี่ยวมีแรงแล้วนั่งกลับมาดูกายดูใจต่อดูทุกข์ต่อไปอีกทุกต้องรู้รรความเป็นกลางขอ ง, ของจิตมันจะเกิดขึ้นมาได้เมื่อไหร่ะคะหลวงพ่อความเป็นกลางมันเกิดจากปัญญาปัญญาเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันชั่วคราวอะไรเงี้ยมันจะเป็นกลางหรือมันบังคับไม่ได้แต่ก็เป็นกลางช่วงนี้คือมีอะไรต้องแก้ไขไหมคะหลวงพอ่อต้องทำอีกต้องดูไปอีกอย่าหนนะีเรายังถูกความทุกข์เขี่ยวกลับไม่พอ คือจิตของหมอนะเป็นจิตซึ่งมีสมาธิเยอะอนะชาตินี้อาจจะไม่ได้ฝึกนะแต่ชาติก่อนเนี่ยฝึกมาเยอะมากมสมาธิแรงเพราะฉะนั้นมุมที่จะสู้จนกระทั่งใจแห้งผากนะต้องเห็นทุกข์เยอะๆนะต้องสู้ไปนละ้วจะเห็นทุกข์แล้วมันจะรู้สึกว่าในโลกนี้ไม่มีที่ยั่งเลยแต่หมอยังมีที่ยัง่งรู้สึกไหมหมอมีสมถะเป็นที่ยัง่งยังหนีได้อยู่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 อ๋อดีใจแทนเขาอ๋อมื่อกี้ดีใจนะหนูก็ตามดูตลอดอข่าจนรับใหม่มาเจ้าค่ะอดีนะให้ดูไปอย่างนี้เรื่อยๆถึงวันหนึ่งเราจะเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเหานี้ของชั่วคราวทั้งหมดเลยมความปรุงแต่งทั้งหมดเลยนะเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้นะให้คอยรู้ความจริงไปเพราใจเราอยอมรับความจริงเราก็ไม่ทุกข์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 แต่เบสบายขึ้นมากเจ้าค่ะตั้ง <DC S 1> แต่เริ่รมทส<ำ>ีภาวนาถูกนะที่หลวงพ่อบอกไงต้องทนท น, นฟังหลวงพ่อทีแรกไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกต้องฟังสองสาครั้งค่ะพอสองสครั้งนั้นพอเรามีสติตื่นขึ้นมาแล้วที่เหลือมันจะพัฒนาเองอย่างรวดเร็วมีคําว่ารวดเร็วด้วยใช่เจ้าค่ะเราจะเปลี่ยนชีวิตเราจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเรารู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าเปลี่ยนหน้าตาเราก็สวยขึ้นนะมีใครชมไหมหน้าตาจะเปลี่ยนนะไม่ อ, อยากบอกเจ้าค่ะมีคนชมเจ้าค่ะนั่นแหละ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 รู้สึกว่าต ล, ล, ลอดทั้งวันหลงล ะ, ะอินในการคุยละเนี่ยตรึงไว้ให้นิ่งละเอาใหม่ค่ะหลวงพ่อคื อ, ค, อคือจะแน่นแน่นทั้งวันมากกว่าที่จะรู้สึกเบาๆคะ <rigid. S 1> ่ะก็แสดงว่ามันมีแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะกดมาตลอดเลยตอนนี้เพิ่งจะเลิกแล้วก็เลยรู้ทันว่ามันแน่นแต่เดิมเนี่มันแน่นตลอดเราไม่รู้ว่าแน่นเหมือนแต่เดิมเนี่ยเราแบกไปไหนเราก็แบก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 ม, มันทำอะไรมันหนักอะค่ะนนคนนี้นะก่อนจะพูดกับหลวงพ่อนะมีการฮึดสู้ด้วยห <c oughs> <c oughs> น้าเอ็นดูดีหลวงพ่อจะบอกว่าเป็นคนคิดมากยางนานก็แบบปล่อยตั้ง ใ, ใจใหม่ทุกวั น, น, นอ้อาชัดขอคำแนะนำแล้ให้นี่ที่เกียรติส่งกันบ้านมักง่ายอา้าวภาวนาเป็นไง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 ฝึกแยกนะมันจะแยกขันห้าไปเรื่อยๆในยนิสวันนี้ใช้ได้อยู่แต่ว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นอ่อนแอไปนิดหน่อยเชิญจีรัเต้องเฉลยเลยเดี๋ยวถูกยึดไว้กลางทางวันนี้จิตเขาให้มาสันเสริญหลวงพ่อครับให้อะไรนะให้มาสันเสริญหลวงพ่อรเราไม่เป็นไรสรนเสริญกันนินทาของคู่ก <c oughs> ันขออนุ ญ, ญาตสันเสริญท่านหน่อยเพราะว่าวันนี้คนเยอะแล้วก็แล้วก็มันบ่นมานานละฮะ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 เมื่อสองร้อยปีถึงเจ็ดร้อยปีที่แล้วเขาก็สอนกันอย่างนี้ผมไปคนคนคว้าดูเป็นพันปีที่แล้วนะครับในตำรายังมีสอนอย่างนี้เลยนะที่ทักไปว่าสวดลูกศิษย์ก็นั่งอยู่นะครับครูบาอาจารย์ก็จะทักไปว่าหยุดเพื่อให้จิตมันออกมาลูกศิธิ์จะได้มีโอกาสได้เห็นจิตบ้างที่ท่านทักก็เผลอไปเผลอไปผมนึกว่าท่านคิดกินเองอะไรเงี้ยก็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 ไปคนดูที่ทิเบตก็สอนอย่างนี้ที่ทท<ม>จีนก็สอนอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นก็สอนอย่างนี้สอนทั้งคาอธิบายสอนทั้งการปฏิบัติสิ่งที่ท่านทำทําให้ทําให้คนเห็นจิตขึ้นมาได้จริงๆการเห็นจิตจะเกิดเห็นจิตจริงๆสักครั้งหนึ่งแล้วก็เรียกว่าตื่นตื่นสักครั้งหนึ่งแล้วจิตมันจะเห็นจิตตัวเองอยู่ตลอดเวลา ม, มันจะเห็นอยู่เรื่อยเรืเรานึกว่าเราเพง่งมันก็เห็นจิตอยู่เราเนึกว่าเราเผยอมันก็เห็นจิตอยู่<ม>เพราะจิตเห็นจิตอย่างนี้มันจิตจริงจะเห็นจิตจับแจ้งได้ใช่เพราะมันต้องเห็นสภาวะนะน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 ขันกับที่โกประตูมันว่างทั้งหมดเลยมันไม่มีอะไรนะภาวนาไปนะเ้าจะเห็นไม่มีอะไรหรอกแต่ส่งไปข้างหลัง อ, อันนี้ก็ได้นวลหญิงจะพูดอะไรป่ะนี่ก็เป็นพยานอีกคนหนึ่งเอาว่าไปกรรมน้มัส ก, การค่ะส่งการบ้านทีนี้ของโยมนะคะไม่ทราบว่าขณะที่ส่งการบ้านเนี่ยโยมเพ่งและประคองหรือเปล่าเจ้าคะ